ธรรมชาดกแผ่นที่สิบสองลำดับที่ยี่สิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงทําในวันที่สองกรกฎาคม2 5ง7นมีชื่อเรื่องว่าเทวดาเตือนพระวันนี้เป็นวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2005 ร้อยห้าสิบเจ็ดจวนจะเข้าพรรษาเต็มทนวันที่11 12เป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2557นแต่วันนี้หลวงพ่อจะได้มีธุระกิจธุระพา ส, สง์ลงไปกิจธุระที่กรุงเทพจะลงไปวันนี้ก็คงจะขึ้นมา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 ที่พักผ้าอาศัยก็คงจะช่วยๆกันนะคณะสัตย า, ญญาติโยมทั้งภายในวัดทั้งภายนอกวัดนะ่ะช่วยๆมากุธาวะครูบาเรียกร้องหาก็ให้มาช่วย ๆ, ๆกันด้วยเพราะว่าอาจจะปรับทางถนนหนทางของพระที่เข้าไปกุติพอเราปีหนึ่งเราก็จะปรับปรุงครั้งครั้งหนึ่ง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 รุ่นเก่ารุ่นพี่ก็ช่วยๆกันดูตรงไหนที่ยังขาดเหลือขาดตกก็ให้ช่วยๆกันเอาจัาาตฐาิโยงเข้ามาแล้วก็ให้ซ่อมๆให้มันเสร็จพระจะได้เข้ามาจำรรษาประจำกุติของใครของเราหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกถ้าหลังคามันมีเก่งไม้มันเฟื่อยเข้ามาถูกหลังคากุติก็ให้ ตกแต่งกิ่งออกซะอย่าให้มันถูกกับหลังคาทำให้หมดหรือแมลงเกาะติดต่อเข้ามาได้ทำให้พระอยู่ที่นั่นไม่สบายเพราะมีมดเข้ามาเพราะว่ากุฏิทุกหลังของเราเราเตรียมกันมดไว้แล้วเจ้าของผู้ไปอยู่ก็ต้องรับผิดชอบถ้าน้ำมันมันแห้งตามต้นเสา เมื่อไปอยู่แล้วก็ต้องบอกครูบาเก่าบว่ากุฏิของผมน้ำมันมันแห้งที่โครนเสาเมื่อครูบาเก่าได้รับทราบแล้วก็ควรจะเอาใส่น้ำมันใส่ขวดใส่อะไรไปเทล้อมรอบเอาไว้เพื่อการมดกันแมลงกันแมลงป่องเหล่านี้เป็นต้นพอเราอยู่ในป่าสิ่งเหล่านี้ก็คือความรอบคอบ ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่แล้วก็เหมือนจะอยู่บ น, วนสวรรค์สันฟ้าเหมือนกับโรงแรมไม่ใช่นะโรงแรมมีใครมีคนดูแลให้แต่ในต้องตัวเองต้องดูเสนาสนที่พักผาใสของตนเองอัตหิอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำนี้ต้องฟังเอาไว้พอเราไปอยู่นสถ า, านที่ใดเราก็ต้องดู เสนาสนที่พักพ้าใสาของตนเองขาดเหลือขาดตกอะไรจากนั้นก็นมาบอกพระรุ่นพี่ที่พระเวนศาลาท่านก็นจะได้อำนวยความสะดวกให้พระที่อยู่ศาลาก็เหมือนกันต้องฟังผู้ที่เข้ามาประสานเข้ามาเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน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 นเนี่ยราหลวงพ่อเป็นห่วงก็คงจะได้ส่งพระขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะมาเตรียมพร้อมในการบวชพระนิมนต์พระอุปชาแต่ถึงยังไงก็ขอช่วยกันนิมนต์พระอุปชาไว้ด้วยก็ได้วันนั้น่ะถ้าองค์หนึ่งไม่ว่างก็ให้องค์หนึ่ ง, อ, ง, งอย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติมานั่นแหละบางทีพระอุปชาองค์หนึ่งไม่ว่างเราก็ขอไปถิดอีกองค์หนึ่ง มีอยู่สองสามองค์ที่เรานิมนมนมานั่งพระอุปชาอยู่ที่วัดของเราอันนี้ก็ความเตรียมพร้อมส่วนอย่างอื่นการก่อสร้างทิ้งยังไงก็รุ่นพระรุ่นใหญ่ไปเหลียงลำดับพรรษาลงไปก็คงจะเหลือท่านกวรอิมท่านนั่นนะกูบาอาจาร ผู้มีอายุพระที่มีอายุพรรษามีที่มีอายุที่บวชก็คอยช่วยๆกันดูนะช่วยๆกันดูดูแลตลอดถึงการงานองค์ไหนที่เกี่ยวข้องก็ให้อาจารย์นหน่อยเป็นผู้บอกแนะนํามอบหมายให้ช่วยๆกันดูเพราะว่าในก่อนพรรษาเนี่ยเราจะเร่งงานอัดไหนงานเน้นๆหน่อย เราก็จะพยายามทําให้แล้วเสร็จก่อนเมื่อเข้าพรรษาแล้วปีนี้เราพยายามงดทั้งหมดกาทําะไรจําเป็นเบญเสียจะจำเป็นไม้ทับหลังคากุฏิเอออันนั้นก็จําเป็นแตถ้าเราไม่ซ่อมแซมก็ทําให้เสียหายได้ถ้าว่าเราจะคิดก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยในพรรษานี้คงจะงดเพราะวัพนพรรษาที่แล้วเราก็ทําศาลาข้างนอก เหมยล้าพลงแล้วเราไม่น่าจะยึดเรื่องภายนอกออการก่อสร้างภายนอกเป็นที่อยู่ทางด้านจิตใจ เ, ออเราควรจะภาวนานะเดินยองกลมภาวนาเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจจึงจะถูกไม่ใช่เอาวัตถุภายนอกมาเครื่องเป็นเครื่องยึดเหนียวเนพะราะในพันษานี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยพรรษาที่แล้วนี่นะ ปีหเนี่ยเราได้ให้พระได้ดูแลกันพระผู้ใหญ่ไม่ใช่พระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ที่รุ่นที่เป็นการงานให้ไปควบคุมงานกับพวกช่างตลอดพรรษาปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่น่าจะมีถึงพระใหม่พระเก่านั่นแหละอยู่ในความสงบอย่างน้อยก็มันกวนลบกวนคนอื่นเงื่อนเรื่องงานเรื่องเสียงของงาน อันนี้ก็เราก็ให้มอบหมายกันก่อนที่จะลงไปและก็พร้อมกันพระใหม่ที่เขามาบวชในพรรษานี้ก็ให้พยายามท่องวิธีแสดงอาบัติและก็ท่องอธิษฐานพรรษาคำอธิษฐานพรรษาถ้าเป็นไปได้ก็กรุ๊มากก่อ น, นั้นก็ท่องสวดมนต์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 กลับไปกุติแล้วก็ต่างองค์ต่างอยู่ในกุติของตนเองกอ็พระมีแต่อยู่ในกุตินอนลูกเดียวนะฮะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อไปบินทบาทมาฉันแล้วถ้ามันยังมีความงกงอย่างมีง่วงอยู่ให้เดินจงกลมก่อนให้เดินจงกลมพอเดินจงกลมเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งสมาธิในกุติ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 แล้วก็ลุกมานั่งอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระเออเราคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าตั้งหกปีเออเราได้ยินหมใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในประวัติท่านว่าท่านถือจอบถือเสียมถือสัตราวธฒนงธ น, นูหอกดาแผลนเหลาาไปฝึกซ้อมอยู่ในในฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีเราได้ยินไหม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 ไม่รู้จะทำยังไงนั่งคิดว่าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านั่นละ่ะให้ดูตัวนั้นละ่ะตัวที่พระพุทธเจ้าให้ดูนั่นล่ะคือตัวกิเลสอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกเศรษฐีพอบวชเข้ามาแล้วท่านก็ครูบาจารย์ก็แนะนาอย่างหลวงพ่อแนะนำอย่างนี้ละ่ะครูบาจารย์ตุนนั่นก็ท่านก็แนะนา เออให้ภาวนาเนอะไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ในถ้ำนี่แหละภาวนาแต่พระท่านนั้นที่เป็นลูกเศรษฐนะีเนี่ยที่ท่านร่ํารวยท่านอยู่ด้วยความสุขการเป็นอยู่ทุกอย่างอํานวยความสะดวกได้ทุกอย่างแต่ที้ท่านมาบวชครูบาอาจารย์ให้ไปอยู่ในป่าช้าท่านก็ไป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 ยืนเดินนั่งนอนไอ้ท่านเดินเสร็จแล้วท่านก็มายืนยืนพิงฝาผากระดานที่พิงกับต้นไม้ถ้าไม่งั้นมันจะลม้มโงนเงยยืนพิงในหมู่บ้านเขาก็มีนักกษัตริย์ใครเขาว่าเดือน12บสองเพนเดือนหงายเขาก็มีเสียงร้องลําทําเพลงมีดนตรีมีอะไรสนันวันไหวในหมู่บ้าน ท่านเข้ามาลำพึงกับตัวท่านเลยเราเนี่ยทรัพย์สมบัติของเราก็มีพร้อมทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องก็มีอุดมสมบูรณ์เราไม่มีความขาดตกปกพ่องในปัจจัยสี่แต่เราเนี่ยตัดสินใจออกเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชเสร็จแล้วเราก็นี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้มาอยู่ในป่ามาอยู่ก็มาอยู่ป่าช้า ไม่เป็นที่พึงปราถนาของมนุษย์ใครๆก็กลัวทั้งหมดแต่เราเนี่ยมาอยู่เช่นนี้เราเนี่ยหมดคุณค่าจริงๆฮะหมดคุณค่าจริงๆเราเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีเหมือนกับคนไร้ประโยชน์ไร้คิดถ้ากิจแบบทางโลกของเขาแต่เราเนี่ยเอาอยัางไงนะ แต่เขาว่าทำไมสนุกสนานดื่นเริงบันเทิงถ้านรกคงมีก็คงพวกนั้นก็คงจะตกนรกเราจะไปกลัวนรกคนเดียวมันจะถูกหรือเปล่านะเนะ่มันใจมันออกอะไรต่วนี่คล้ายๆก็ว่ามันคิดถึงทางโลกมากพอได้ยินเสียงดนตรีชาวบ้านเขาร้องลําทำเพลงสนุกสนานตัวเองก็มายืน เดินอยังกลมนั่งภาวนาอยู่ในป่าชาติเทวดารู้วรจิตของพระองค์นั้นเออเทวดาอยู่นั่นน่ะท่านเทวดาก็เลยเป่งเสียงออกมาว่าท่านา น, นี่แะ่ะเป็นทางที่ถูกต้องเอเป็นทางที่ถูกต้องของอพระอริยะทั้งหลายอันนั้นเันเรื่องของวัตตะ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 ไปหาทุกเท่านั้นอันนี้พวกท่านเนี่ยคิดอย่างนี้เป็นหาหัวรสางคือความสุขตัดกิเลสภายในใจเป็นพระอริยะบุคคลต่อไปเราเห็นด้วยกับท่านที่ท่านอยู่อย่างนี้ท่านอย่าไปคิดว่าทางโลกจะเป็นสวนรรค์วิมานเลยอันนั้นคือความทุกข์นะท่านนะใครเข้าวัดเทวดาตื่นฮะ เทวดาเตือน เ, อเห็นพระที่บวชแล้วข็ใจหวนกลับไปเป็นฆรวาอาพระนั้นก็สำนึกได้ทันทีแล้วอืมใช่ที่เราได้ศึกษามาที่จากพระพุทธเจ้าพระหันพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ท่านให้คิดทำไมกิจใจของเราจึงตีกลับอย่างนี้เออ เราได้เสียงยินเสียงตักเตือนมาเป็นเสียงที่ถูกต้องที่สุดท่านก็มีกําลังใจเร่งความภาคเปลี่ยนท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นี่แหละอันนี้คือใจของพวกเราบางทีก็เดินหน้าบางทีก็ถอยหลังตีกลับเหมือนกันบางคนก็ตีกลับจนร้องห่มร้องไห้ก็มีมากต่อมากทีแรกก็ทําท่าจะเอาจริงเอาจัง เอาเถอะข่าไปบวชเนี่ยข่าจะต้องทาอย่าง้นต้องทาอย่างนี้ต้องทาใหม่ดีที่สุดความมุ่งหมายความมุ่งมั่นความตั้งใจ us, เราเห็นพระทั้งหล Lemon, ниц, ายและทาโตโตเตเตที่เขาลงข่าวต่างๆนี่แปลว่าไม่เป็นถึ่งพึงปรารถนาของเราถ้าเราบวชเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเอาแบบแนวปฏิปทาหลวงปู่มั่นท่านภาวนายังไง ท่านเดินยังกรมยังไงท่านอยู่ยังไงอยู่ทําอยู่เหวอย่างไรเราต้องเอาอย่างนั้นฮะเมื่อเราเป็นคลาวรรษพอกลับเข้ามามาเจอของจริงเข้าทีนี่กิเลส ต, ตัว น, นั้นมาลุมความหิวบัง่งความกระหายบัง่ง อ, อยู่ด้วยความลําบากบัง่งทั้งลีนทั้งยุงกัดบัง่งทั้งหมดทั้งอะไรรับรบกวนบัง่งจิตทั้งที่มันจะไปทางนั้นเนี่ยมันถอยกูดกูดเลยแต่ไห น, น เพราะกิเลสเนี่ยกิเลสมันพาให้ถอยเนะ่เพราะกิเลสมันลังเอาไว้อย่านะอย่าไปอย่าไปอยู่กับพวกเราดีกว่านะจากนั้นเ็าเรากลับถอยมาทางกิเลสนถอยหลัง น, ะนี่แหละมันเคยมีมากต่อมากที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพระลูกพระลานทุกองที่เข้ามาอยู่ในศาสนา ชีวิตต้องสู้พระครูบาอาจารย์ทั้งหมดต้องฟันต้องสู้แต่ขนาดพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราในคืนที่ท่านได้ตัดสู้คืนก่อนๆคืนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงละแต่คืนจะตัดสู้นะ่ะที่ท่านนั่งภาวนาที่โคลนต้นโพลขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ท่านได้สู้กับพยามาลมาเท่าไหร่พยาบาลเสนามานและคนนางตันหาราคาอรารดีมาลบกวนมายั่วยวนให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลงไหลออกจากสมาธิพระพุทธองค์ไม่มองตั้งจิตอธิษฐานจนถึงนางแม่ธรณีปิดมวยผมลงไป คือน้ำประไทยเนะ่ยมวยผมคือน้ำประไทยไหลออกจากพระ อ, องค์ด้วยสัจจะคือความจริงจังและจริงใจไม่หวั่นไหวเพราะเราเคยผ่านมาแล้วโลกอย่างนั้นนะ่ะทำไมใจของเราจรึงจะไปถลําเข้าไปอีกเรายกระดับขึ้นมาให้สูงและทําไมเราจรึงถลํา ล, ล, ลงไปอีกมันถูกไหมนะ่ะที่เราทำนะ่ะที่มันผ่านผ่านมาแล้วนะถ้ามันผ่านแล้วจะเราจะมาอยู่อย่างนี้ทําไมเราก็พิจรารณาดูไม่รู้กี่รอบแล้วทําไมเราจรึงจะกลับไปอีก เออเอ้าตายเป็นตายตายดาบหน้าไม่ถอยหลังเด็ดขาดนะ่ยเอออะไรจะพังอะไรจะขาดให้มันขาดไป น, ะนี่พระพระทุทธเจ้าท่านเด็ดขาดอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานนะท่านจึงได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันเออเราจะไปคิดกล้าหลังอยไปคิดถอยเออคิดดูให้ดีเปรียบเทียบโลกเปรียบเทียบธรรม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 เมื่อถวายเสร็จแล้วล่ะเราก็มาฉันเราก็ฉันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นเองจากนั้นเราก็ภาวนาเราก็ไม่ได้คนอื่นใครอื่นเดือดร้อนกับเรา เ, เราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ตัวของข้าเองเนี่ย่ะเราก็ดูใจของเราเองข่าตายก็ตายคนเดียวไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับเราเถ้าว่าเราอยู่เป็นฆราวาสต้องมีขอบมีครัวมีผู้รับผิดชอบมากมาย ที่พ่วงเราพลุงพลังกับเราแต่บัดนี้เอมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนกระต่งองค์ต่างภาวนาต่างตองค์กระต่า ง, าวาา ง, ง, างแวกไหวของใครของเราให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในใจของเราให้ตัดกิเลสโลคโกรธหลงลาคะโทสะโมหะในจิตใจของเรานี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของนักพรดนักบวชอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวเพราะนั้นขอให้ พระ ท, ทุกองนะที่จะอยู่ดำรงทรงศาสนาไม่ต้องว้าเหวไม่ต้องอ้างว้างเงียบเหงาซื้เศร้านะหะ้ผู้ที่จะลาสิกขาไปก็เอือเพราะว่ามีกำหนดผมจะบวชถึงเดือนส5้าวันพราะมีภารกิจถึงยังไงก็บวชให้พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองพ่อแม่อนุโมทนาญาติโกโหติกาอุโมทนาที่ได้บวชเพราะว่า ถึงยังไงเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายลูกชายของตระกูลลูกชายของพ่อแม่ลึกๆพ่อแม่ก็คงจะตั้งใจเออลูกของเราบวชเมื่อเป็นหนุ่มขึ้นมาเราคงจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกของเราถ้าเราไม่บวชพ่อแม่ก็คงจะผิดหวังในตัวของเราแต่ปัจจบันนีเ้เราก็ให้พ่อแม่สมหวังในระดับหนึ่ง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 ให้ดีทบทวนให้ดีในชีวิตที่เป็นนักพรตนักบวชแล้วก็เป็นชีวิตฆราวาสญาติโยมเปรียบเทียบกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ชีวิตฆราวาสญาติโยมหนึ่งคือชีวิตพ่วงพ่วงออกไปแล้วกนันต้องรับผิดชอบมากมายหลายอย่างพ่วงแต่ชีวิตนักพรตนักบวชชีวิตเดียว แต่ถึงอย่างยังไงกับหลวงพ่อก็เถอะนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อพ่วงมือนกันเหรอมีคณะสัตทาญาดโยมลูกศิษย์เต็มวัดเนี่ยหลวงพ่อจะวัดเดียวได้ยังไงพ่วงแต่ใช่แต่จะว่าพ่วงก็ใช่แต่หลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอยู่ตามลำพังหลวงพ่อจะสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่ออิเอ้ย ถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหาคณะสัตยาญาจมมีวัดวาศาสนาขนาดแน้นก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะท่านจะต้องทิ้งทิ้งทั้งหมดกระดูของท่านท่านก็จะต้องทิ้งท่านอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อหนังมังสาของท่านนะหลวงพ่ออินนะนี่หลวงพ่อตัดขาดในใจของหลวงพ่ออันนี้เป็นคําเป็นคําคิดหรือเป็นคําพูดแล้วเป็น แนวความคิดของหลวงพ่อส่วนลึกของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องอยึดเหนี่ยวว่าเป็นเครื่องที่ค้องแวะเพราะอีกสักวันหนึ่งกระดูกตัวเองก็จะเผาไฟทิ้งอยู่แล้วถึงเขาไม่เผาทิ้งเกลื่อนทิ้งตายอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่น อ, อีกสักวันมันก็ต้องผุพังตามอายุสังขารของมันนี่แหละ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 แต่มีไหมก็มีอยู่เออพระเจ้าจุดโทธนะเนี่ยสัน ต, ติมหาอมาตรออมีตั้งเยอะแยะกันหลายองค์พอสมควรอยู่ที่กล่าวมาในพระไตรปิฎกที่เป็นฆราวาสได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่มันก็ยากเหมือนกับเขาวัวนะั่นนะเออเป็นฆราวาสเออเขาวัวนะเห็นไหมวัวทั้งตัวขนกับเขาอันไหนมากกว่ากันออขนนะี่ก็เหมือนเหมือนกับคนที่มีกิเลสขนวัวนะ เขาวัวก็คือพระรหันผู้ที่ได้บรรลุนะนั่นแหละมันมากต่างกันอย่างนั้นแหละคารวะคือขนวัวชีวิตของคารวาะแต่ผู้ได้สําเร็จเป็นพ ร, รนะรหันเนี่ยคือเขาวัวแปลว่าวัวทั้งตัวเนะี่ยขนมันมากกว่าเขามีอยู่สองเขาท่านเองอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเป็นคารวะที่จะได้สําเร็จมักสําเร็จผลนะั้นยาก แต่สำหรับเป็นพระเนี่ยมีหน้าที่เดียวมีหน้าที่อันเดียวคือเป็นหนา้ิตี่เร่งภาวนาหาทางพ้นทุกข์พร้อมที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เพราะนั้นพวกเราถึงจะไม่ตัดได้ก็เถิดที่เขามาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอย่างน้อยกระทำจิตใจให้สงบภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบความสงบของจิตใจนั้นเป็นอย่างไร ให้พวกเราได้ริมรถแห่งความสงบถ้าสงบเป็นอนันตการอย่างพระอรหันต์สงบจนไม่มีกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาได้อันนั้นแปลว่าโบรมัสุขแต่ว่าพวกเราเนี่ยเอาขนาดนั้นไม่ได้ก็ให้สงบเพียงชั่วขนาดหนึ่งแต่ว่าจิตใจสงบในช่วงขนาดหนึ่งก็ ย, ยังจาไม่ลืมนะ นัตติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราควรจะได้ริมรถแห่งความสงบไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในวัดแล้วก็ไม่มีอะไรคิดกคิ ด, คดปุงฟุงเรื่องอาหงเรื่องอาหารเรื่องเที่ยวเรื่องเตรเรื่องแล้วจะไปคิดทำาไมคิดให้ง่ทาไมถึงยังไงมันก็จะเราก็จะได้ออกไปอยู่จุดนั้นอยู่แล้ว เดบัดนี้เราเข้ามาเพื่อตัดสิ่งเหล่านั้นเป็นเอกเทศเป็นส่วนตัวเราจะไม่นึกไม่คิดทางนอกเราจะอยู่กับพุทธโทอย่างเดียวขาขวาพุทธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลานั่งลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละคือแนวของพุทธะเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลาน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 ทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาต่อนนี้ไปรับพร